ขอคราบอาจารย์ยุกิอาจารย์ชัดชัยแล้วก็เพื่อนทุกท่าทุกท่านนะเจริญพรและยิทุกคนรู้สึกตรงนี้จะเหลือคนไทยกับคนต่างชาติใกล้ๆกั น, นฟังเรื่องสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็นั่งปฏิบัติไปแล้วกันนะยงคงนะให้ปฏิบัติไปของเรา เราก็เราได้มีกลุ่มในน้อยตรงนี้ของเราแต่กลุ่มใหญ่อยู่ที่ข้างหน้า อ, อยู่ซีกหน้าเขากล้างสารพิษเห็นเข้าร้างสารพิษทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมแล้วก็ดูดูดูเป็นธรรมชาติดีนะธรรมชาติบางคนก็มาจาก กรุงนะเทพบางคนก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวบ้านบางคนก็เป็นพระทางสายธรรมยุทธบางรูปก็เป็นพระทางสายมหานิกายวัดบ้านวัดป่าบ้างแต่ก็ดูดูเข้ากันได้ <c oughs> นะไม่แต่ถ้าไม่ใช่งานแบบนี้บางทีก็ถือถือพวกเขาพวกเรานะชั้นเช่งกว่านะแต่หรือว่า ถ้าปปตามวัดอื่นๆบางทีครับจะมีระบบระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายแบ่งกันชัดเจนแต่ของเราไม่ก็มีการแบ่งบ้างแต่ก็ก็ดูผสมปนเปนกันแบบเป็นธรรมชาติดีมันก็ดูแล้วมันที่จริงก็เพราะว่าคนเรามันมีความความเหมือนกันเนาะมีความทุกข์ของกายเหมือนกันทุกคนมาก็ เนื่องจากกายมันมีความทุกข์เนื่องจากกาย ม, ามันมีมีโรค ก, นะกายมันเป็นดังของโรคทั้ง น, นั้นไม่ว่าจะเป็นพระธรรมยุทธ์ก็ดีพระมหานิก า, กายก็ดีญาติโยมหรือแม่ชีชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ดีมีกายเป็นทุกข์เช่นกันตนะัดทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะทุกคนมีความทุกข์นะที่เป็นประจําร่างกายนะ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่มีใครหนีพ้นนะหลายคนก็มาเพื่อที่จะบาบัดทุกข์ทางกายนะที่นี่เสมือนสถานพยาบาลนะชั่วข่าวที่บาบัดทุกข์ทางกายโรงพยาบาลอนามัยคลินิกเขาก็บาบัดทุกข์ทางกายตลอดทั้งปีตลอดทุกวันทุกเวลานะแต่นอกเหนือจากการที่เราบาบัดทุกข์ทางกายแล้ว สิ่งที่เราฝึกเราปฏิบัตินี่ก็คือการบำบัดทุกข์ทางจิตใจนะทุกข์ทางกายนีนะ่บางครั้งนานๆถึงเป็นทนะีหรือหลายคนนี่หลายปีค่อยเป็นโครคภัคยเจ็บต้องไปหาหมอทักทีอย่างอาตมาเองตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยป่วยจนทั้งต้องไปนอนโรงพยาบาลทักทีเลยนะ มีแต่เป็นนอนแบบเฝ้าหลวงพ่อแต่เป็นนะแต่ไม่ได้ป่วยเองเลยนะอืมแต่เมื่อจริงโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันหนักๆ น, นี่ยบางทีก็นานๆอาจจะเกิดขึ้นกับเราทีะแต่โรคภัยแค่เจ็บที่เกิดกับกายเกิดกับเกิดกับใจของเรานี่สิมันเกิดบ่อยเปิดเกิดทีมากการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้เราอเรีย <c> ก <oughs> ว่าดักษาโรคทางใจ นะรักษาโรคทางกายนี่เจ็บหัวปวดท้องอะไรต่างๆรักษาหายแล้วก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่การรักษาโรคทางจิตใจเนี่ยนะมันจะมา ร, รักษาให้หายเด็ดขาดได้นะโรคที่เกิดจากรูปนะอันนี้คือเรียกว่ารูปมันทุกขนะ์หรือรูปมันเป็นโรค ก, ก็ได้นะ้ำก็เหมือนกันนะน้ำก็มี ปุ๊ของมันนะนาำก็มีความเป็นโรคของมันโรคของนามคืออะไรเชื้อกิเลสตัณหาในจิตใจเนี่ยคือเชื้อโรคของนามธรรมนะพรวงพ่อเทียนเรียก ว, ว่านามโรคนะรูปโรคน้ำโรคนะกิเลสนะความรักความชังความหลงนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะนะอุปทานการยึดมั่นถือมั่นนะ กิเรตตันหาอุปทานอันเนี้จะคือโรคคือเชื้อโรคของนา้ำนะแล้วโรคของน้ำเนี่ยแหละเมื่อมันมีโรคของนามอยู่มันก็เหมือนมีเชื้อโรคมันก็เลยกลายเป็ น, นกลายเป็นความทุกข์นะนะเกิดเป็นโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนามก็เลยเป็นทุกขนะ์เป็นทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์เพราะความไม่เข้าใจในความจริงของธรรมชาตินะ ถือเป็นทุกข์เพราะความหลงไปยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเนี่ยแหละนา ม, มันเป็นทุกข์แล้วนะอันนี้โลกของนามมันเป็นเช่นนี้นะทุกข์ของนามก็เป็นเช่นนี้ใครอะไจะหนีพ้นได้พระพุทธเจ้าน่ะเป็นคนแรกที่หนีพ้นได้พระสาวกพระนั่หันก็หนีตามพระพุทธเจ้าต่อมาพวกเราก็กำลังจะเดินหนีนโลกของนามทุกข์ของนามตามพระพุทธเจ้าอยู่นี เรานีด้ดยการทําอะไรหนีโดยการนะตั้งการเคลื่อนไหวให้ใจมันคอยรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเมื่อใจรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเมื่อใจรู้อยู่กับการสัมผัสเมื่อใจรู้ตัวอยู่อันนั่นแหละใจมันไม่ทุกข์ใจมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโรคนะแม้จะมีเชื้อของโรคอยู่แต่ตอนที่เรารู้สึกตัวตอนนั้นมันไม่ทุกข์เหมือนบางคณะ มันมีเชื้อโรคมีไวรัสมีแบคทีเรียมีอะไรต่างๆมันอยู่ในกายของเรานั่นแหละแต่ถ้าตอนนั้นภูมิต้านทานของเราแข็งแรงอยู่นะมันก็ควบคุมโรคได้เราก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องรักษาโรคทางนามก็เหมือนกันนะแม้ยังมีเชื้อกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในจิตใจแต่ตอนที่เรารู้สึกตัวเนะี่ยก็คือเหมือนตอนที่ ภูมิต้านทานนะหรือว่าเม็ดเลือดขาวในจิตใจของเรามันแข็งแรงมันเข้มแข็งมันป้อง ก, กันโรคนะที่เกิดกลายเป็นความทุกข์ในจิตใจได้เพราะะฉนั้นการสร้างความรู้สึกตัวนเนี่ยเหมือนกับเรามามาพัฒนาความเข้มแข็งหรือว่า เ, าเพิ่มภูมิต้านทานให้กับจิตใจนะภูมิต้านทานโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากการฉีดวัคซีนที่เกิดจากการกินวิตามิน ที่เกิดจากการกินยาอันนั้นเป็นการรักษาโรคทางกายการรักษาโรคทางใจเนี่ยแหละภูมิต้านทานที่เราหมั่นรู้หมั่นดูหมั่นเห็นหมั่นฝึกอย่างเสมอเนี่ยแหละนะทำกายวาจาให้เรียบร้อยนะชื่อว่าศีลรักษาใจมั่นนะชื่อว่าสมาธิความรู้ความเข้าใจในกองสังขารคือร่างกายและก็จิตใจเนี่ยชื่อว่าปัญญา นี่แหละคือวิตามินคือยาที่เราเพิ่มภูมิต้านทานให้กับจิตใจของเราอยู่เสมอนะถ้าเราทําเช่นนี้นะจิตใจมันก็จะมีเข้มแข็งจิตใจก็จะมีกําลังมากขึ้นนะจิตใจเมื่อเข้มแข็งมีกําลังนะนะโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่สามารถนะเกิดขึ้นในจิตใจได้นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความทุกข์ไม่มีที่ตั้งนะ มันจะไปอยู่ที่ทั้งไหนนะเมื่อใจเราไม่เอาความทุกข์มาเป็นของเราแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนมือของเราเนี่ยแหละนะถ้าเราไม่ไปกำไม่ไปยึดอะไรไว้ไม่มีอะไรติดได้หรอกนะนะมันอาจจะผ่านเข้ามาที่มือแต่ถ้าเราไม่ไปกำรรไม่ไปยึดไว้มันก็ตกไปจิตใจของเราก็เช่นกันถ้าเรารู้ทันนะกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ไม่ไปยึดมันสัอย่างมันก็ทำอะไรไม่ได้นะการรู้สึกตัวก็คือเนี่ยการที่เรารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเนี่ยแหละนะที่นี่เกิดขึ้นกับกายเช่นความทุกข์ของกายนะมันมีอยู่แล้วทุกประจําจสังขารทุกเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกเพราะความนะไม่สบายกายไม่สบายจะทุกเพราะความ เจ็บปวดอันนี้เป็นรูปประจําสำคัญร่างกายแล้วก็แค่รู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเข้าไปนะไม่ต้องถึงขนาดท้งทนนั่งนานๆเดินนานๆให้ปวดให้เมื่อยคิดว่าจะทำแล้วมันจะหายนะมันก็อาจจะหายบ้างไม่หายบ้างเอาแนี่ยอนอนไม่ได้แต่แม้จะทนเก่งขนาดไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเรื่องของกายจริงหรอกนะขณะพระพุทธเจ้าท่านอดอาหารท่าน อดกั้นลมหายใจนะหายไม่ให้หายใจเข้าไม่ให้มันหายใจออกนะจนทั้งมันออกตามรูผมขนท่างตาต่างหูทางผิวหนังมันก็ออกไปก็ไม่เห็นท่านจะพ้นทุกข์เพราะการทำเช่นนั้นนะนั้นทุกข์ของกายนี่เราทำได้ด้วยการบรรเทาทาบรรบัดการรักษานะปรับเปลี่ยนมันไปนะตามเหตุตามปัจจัยแต่ทุกข์ของใจนี่ รูแ้แล้วก็ทิ้งเลยรู้แล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปอะไรอาวรกับมันแค่รู้ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกับมันน่ะรู้แล้วทิ้งไม่ต้องไปไตไปั้งคำถามไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปเอ๊ะไม่ต้องไปน่ะหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดห า, หาชอบหาไม่ชอบอะไรกับมันรู้แล้วกลับมารู้สึกตัวน่ะรู้ว่ามันมีความคิดรู้มีอารมณ์รู้แล้วก็พอน่ะกลับมารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรน่ะ อันนี้แหคือการรู้กายรู้ใจนะอยู่เสมอถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่เสมอนี่แหละนะมันก็ทําให้เราเกิดการพัฒนาสติสติก็มีกําลังมากขึ้นนะสติที่เกิดจากการรู้รูปที่เคลื่อนไหวหยับหยาบนะไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะเข้าไปรู้รูปที่มันละเอียดขึ้นนะรู้รูปที่หายใจของมันเองรู้รูปที่มันกระพริบตา รู้นะความหนาวความร้อนความเย็นที่มันอยู่ในกายนี้นะเราจะเห็นกายนะจากหยับหยาบต่อไปก็จะเห็นกายที่ละเอียดต่อไปก็จะเห็นกายในกายนะกายในกายคืออะไรนะความทุกข์ที่มันอยู่ในกายนั่นแหละคือกายในกายนะความทุกข์ที่มันต้อนอย่างที่พูดไว้นะ่โดของรูปนะหรือว่าทุกข์ของรูปนั่นแหละ คือกายที่มันอยู่ในกายของเรายเป็นประจำหรือจะพูดอีกอย่างว่าธรรมชาติของรูปหรือว่าธรรมชาติของกายมันเป็นเช่นนั้นมันแสดงให้เราเห็นนะมันแสดงให้เราเห็นนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยอันนี้ธรรมดาของมันนะเราไม่สามารถจะนั่งนิ่งได้หรอกนะนั่งอยู่เฉยๆก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็มีการกระพริบตามีการอ้าปากกระดุกกระดิกนี่ รูปมาแสดงให้เห็นว่าฉันไม่เที่ยงนะฉันไม่เคยเที่ยงเลยนะคุณไม่สามารถกั้นลมหายใจได้กั้นได้ก็เพียงแป๊บเดียวแต่ลมหายใจก็กลับกลืนมาเป็นปกติ น, นี่รูปมาแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอ่ามันเป็นทุกข์ทุกทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้นานหรอกมันต้องปรับต้องเปลี่ยนนะทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความเจ็บ น, นี่มันแสดงความทุกข์ให้เห็นนะมันไม่เคยแสดงความสุขให้เห็นเลยนะ น่ะมันมีแต่ทุกมากหรือว่าทุกน้อยเท่านั้นนะทุกน้อยนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นความสุขนะพอทุกมากมากเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เรียกว่าเป็นความทุกแต่แท้ที่จริงแล้วทุกทุกอย่างมันคือตัวทุกนะทุกที่เป็นขอไขกระันนั่นแหละทุกทุกอย่างเป็นตัวทุกอาการที่รูปแสดงให้เราเห็นนะเราดูมันไปนะเราไปยึดนะเราฉลาดหรือเราโง่เราไปยึดไอตัวทุกน่ะ เป็นตัวเรานั้นพะระพววุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่เห็นเห็นรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะมันก็จะเลิกโง่เลิกหลงงมงายไปยึดว่ารูปนี้เป็นของเรานะรูปมันเที่ยงไหมแล้วก็ตอบได้มันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์ไหมแล้วก็ตอบได้มันเป็นทุกข์เมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือไม่ควรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราอันเนี้ยเราโง่หรือเราฉล่าที่เราไปยึดมัน <c oughs> เราอาจจะาอาจจะฉลาดเรียนจบปัญนญนาทํางานหาเงินได้แต่เราโง่เหลือเกินเรื่องการไปยึดรูปว่าเป็นทุกข์จิตใจก็เหมือนกันเราภาวนาเราจะเห็นได้ว่ามันคิดทั้งวันไม่อยากจะคิดแต่มันก็คิดของมันเองไม่อยากจะง่วงมันก็ง่วงของมันเองไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธของมันเอง อยากจะปล่อยอยากจะวางแต่ก็วางไม่ได้ไปยึดไ้อยู่เสมอมันทำไม่ได้บังคับไม่ได้จัดการไม่ได้นี่นเห็นไหมมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เรื่องของนามนามันเปลี่ยนไปของมันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนลับแม้แต่ดับแล้วยังฝันเรื่องอะไรก็ไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกมันเปลี่ยนแปลงของมั น, นอยู่เสมอถ้านามน่ะ มันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังอยู่เสมอนามมันเป็นทุกข์นะทุกข์ทนอาการเดินไม่ได้อยู่เสมอควรไหมที่เราจะไปยึดว่านามนี้หรือว่าจิตใจนี้เป็นตัวเป็นตนของเราเราโง่หรือเราฉลาดที่เราไปยึดนะเราโง่ทั้งนั้นแหละนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะะเริ่มต้นจากผู้ที่งโง่ๆเนี่ยแหละนะแต่ค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาเห็นความงโง่ตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละ จะเป็นผู้ที่ฉล า, าดแต่ถ้าผู้ที่อวดว่าตัวเองฉล า, าดเนี่ยจะคิดว่าตัวเองฉล า, าดคิดว่าตั ว, วตเองดูแล้วคิดว่าตัวเองดีแล้วก็จะประมาทนะไม่เกิดการพัฒนาแต่การภาวนานะอย่างผู้ที่มีสติมีปัญญานะจะเห็นความโง่ของตัวเองบ่อยจะเห็นความหลงของตัวเองบ่อยจะเห็นความพุ่งซ่านนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ บ่อยนะแต่เห็นบ่อยเนะ่แหละดีเห็นบ่อยรู้บ่อยนะเหมือนกับเราทำความสะอาดกุฏิที่พักหรือว่าศาลาของเราเนี่แหละเนาะเราเห็นขยะเราเห็นอะไรไม่เรียบร้อยเรากวาดพื้นมันก็จะมีฝุ่นละอองมารวมกันเยอะแยะมากมายนะตอนอยู่เฉยๆธรรมดาเนี่ยมันก็ดูกระจัดกระจายนะแต่พอเราเริ่มกวาด ผุนมันก็จะรวมกันมาอยู่หน้าไม่กวาดของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่เคยเอดใจเลยว่าผุ่นมันจะเยอะขนาดนี้แต่พอเริ่มกวาดแล้วผุ่นมันเยอะมากนะกวาดแล้วก็คิดว่าตัวเองสะอาดแล้วนะไปถูไม้ถูที่มันซักน้ํามาดีๆพอไปถูแล้วก็ยังต้องไปซักน้ําใหม่นะต้องไปล้างมันใหม่เพราะาอะไรมันยังมีผุ่นที่ยังติดอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอดังนั้น เหตุเราเห็นว่ามันมีกิเลสมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจบ่อยๆนะี่แหละมันดีนะการที่เราทำความเพียรเจริญสติก็เหมือนกับเราที่เรากวาดพื้นอยู่เสมอวาดบ่อยๆกวาดบ่อย ๆ, อยๆจิตใจก็สะอาดนะเราถูพื้นนะก็เราถูจิตใจให้มันสะอาดขึ้ น, นเรื่อยๆเหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆชะล้างกิเลสนะ สิ่งที่เป็นความหลงออกจะไปจากจิตใจได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะ น, นี่คือสิ่งที่เรานะทำความรู้สึกตัวในการรู้เท่าทันกายก็ดีรู้เท่าทันใจก็ดีนะแต่แท้ที่จริงแล้วพอเราจิตเราสะอาดจิตเราสงบขนาดไหน <c oughs> ก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันว่าไม่ควรไปยึดแม้แต่จิตที่มันดีจิตที่มาสงบจิตที่มันมีความสุขว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเรา ถ้าเรายัางยึดจิตที่มันดีที่มันสุขที่มันสะอาดสว่างอยู่นะนะมันก็เป็นการหลงเหมือนกันหนะลงไปยึดนะด้านดนะีแต่ด้านดีมันก็ไม่สามารถที่จะเที่ยงแท้แน่นอนได้พอมันเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์เปลี่ยนเป็นด้านที่มันไม่ดีเราก็พลอยทุกข์เยอะอีกละนะดังนั้นเราไม่สามารถยึดอะไรได้แต่เรารู้ว่าพอเราขาจัดสิ่งตก ป, กปกออกจากจิตใจมาก ใจิตใจมันก็สะอาดใจิตใจมันก็สงบใจิตใจมันก็มีความสุขมากขึ้นแต่ก็ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือตัวคือตนของเราไม่ควรคิดว่ามันเป็นของเที่ยงนะยังเห็นมันว่าเป็นของไม่เที่ยงเช่นเดิมแม้มันจะเป็นความสุขแม้จะเป็นความสงบแต่ก็เห็นมันเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันเห็นไปเรื่อยจะทั่งมีปัญญาแม้แต่จิตนี้นะทาอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะสุขได้ตลอดหรอก เพราะามีสภาวะที่เป็นทุกข์นะเป็นสภาวะที่บีบคั้นนะการมีปัญญาที่มากขึ้นกันนั้นก็คือการการเห็นว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราสภาวะที่เกิดกับจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ควรจิตมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยการภาวนาถ้าถึงขั้นฝึดยอดการมีปัญญาที่แท้จริงนะไม่ใช่เพียงแค่การพยายามทําจิตทําใจให้สะอาด ขจัดล้างกิเลสออกจากจิตใจเท่านั้นแต่คือการมีปัญญาเห็นจนกระทั่งเข้าใจว่ากายนี้จิตนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตนี้ก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสะอาดไม่มีสว่างไม่มีสงบไม่มีสกปรกไม่มีขุดสนไม่มีอกุศลนมีแต่สภาวะมีแต่อาการที่กายและใจหรือว่ารูปนามเขาแสดงให้เราเห็นเฉยน ไม่มีตัวไม่มีตนของเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรต่างๆอันนี้แหละคือสิ่งที่เราฝึกนะที่เราถ้ากําลังภาวนากันนะแม้แต่ตัวอาตมาหรือ ต, ตัวผมเองก็ต้องเดินทางเช่นนี้นะเราเข้าใจในเชิงหลักการนะเราพอจะเดินทางได้แต่เราก็ต้องหมั่นทําไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรจิตมันก็ยังโ ง, ง, ง, ง, ง่จิตมันก็ยังหลงจิตมันก็ยังดูว่ามันเป็นทุกข์แต่มันก็ยังไปยึดนะมันโง่อย่างจริงนะจิตเนี่ย เราก็ต้องฝึกไปเรืยจะทั่งจิตมันเลิกโง่นะั่นแหละนะเมื่อไรก็เมื่อนะนะั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเมื่อไรเราจะเลิกโง่โดยสิ้นเชิงเมื่อไหรเราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเราทําได้แค่ไม่ทุกข์ในตอนนี้ก็พอแล้วนะกลับมารู้ตัวตอนนี้ก็ไม่ทุกข์แล้วนะกลับมารู้สึกตัวเฉยๆนี่มีปัญญาสุดยอดจังนะนะปัญญาไม่ใช่ไปรู้เห็นอะไรพิศดาร แตกฉานในการเทศ่นาโหหารแตกฉานในการอธิบายต่างๆอันนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็ได้นะที่จริงปัญญาจริงๆอาจจะแค่ทำตัวซื่อๆรู้ซื่อๆกลับมารู้สึกตัวซื่อๆอันนี้อาจจะเป็นปัญญาที่ที่ถูกกว่าก็ได้อันนี้ความเข้าใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากลับมารู้ตัวซื่อๆธรรมดาเนี่ยมันไม่ทุกแล้วแต่ถ้าเราไปเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดกับมันนี่ ปัญญาดอกหลอกไปเข้าใจเหตุเข้าใจผลไปอธิบายขยายความได้เยอะๆมากมายอาจจะผิดก็ได้แต่เมื่อไรที่เราเห็นอาการแล้วรู้ซื่อๆไม่เข้าไปเป็นกับมันเห็นแล้วกลับมารู้สึกตัวซื่อๆธรรมดาเนี่แหละนะมันรวมลงมาแล้วนะสึกยอดที่หลวงพ่อเทียนสอนนะรู้ซื่อๆแต่เราไม่ค่อยซื่อเท่าไหร่คดเฉไปตลอดนะ อยากจะเก่งอยากจะดีอยากจะได้อยากจะเอาหลวงพ่อเทียนนั้นตอนให้ดูซื่อรู้ธรรมดาเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปเอาอะไรไม่ต้องเป็นอะไรเนี่ยแหละดีที่สุดเลยนะไม่มีสภ า, าอะไรที่ทำํำง่ายๆกว่านี้แล้วนะอืมแต่นะจิตมันก็โง่มันไม่ค่อยอยากจะซื่อเท้าร่ก็ต้องค่อยๆนะให้เป็นคนซื่อที่สุดตรงที่สุดนะไม่เสแสร้งนะไม่แกล้งทำํำนะ ไม่ไปดัดจิติ์ไม่ไปหลอกตัวเองไม่ไปหลอกผู้อื่นอันนี้ถ้าเรามีสภาวิธีนี้นะจิตมันจะซื่อมันจะใส่มันจะบริสุทธิ์มันจะตรงตรงกับธรรมะมัค่อยเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นะพวกเราค่อยๆพยายามปึกกันกลับมารู้ตัวง่ายๆวางเลยความรู้ทุกอย่างาวางเลยเหตุผลทุกอย่างวางเลยดีชั่วถูกผิดทุกอย่าง วางที่ใจแต่โดยสมมติโดยหน้าที่เราก็ทำมันไปนเห็นบ้านสกปรกก็ไม่ใช่ปล่อยวางไม่ทำความสะอาดก็กวาดไปอย่างจิตปล่อยวางก็ได้นะทำหน้าที่กวาดพื้นไปดูกายเคลื่อนไหวจิตใจไม่ต้องไปทุกข์อะไรล้างถ้วยล้างจานก็เหมือนกั น, นก็ทำหน้าที่ทำความสะอาดจานไปจิตใจเรารืมเนื้อลืมตัวไปก็จิตใจก็สะอาด ก็ปล่อยวางไปด้วยไม่ไปยึดนะไม่ไปถือเกี่ยวข้องกับผู้ใดมีสิ่งกระทบกับการงานกระทบกับความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ก็แค่รู้เป็นโล ก, กรธรรมมีคนสรรเสริญก็เป็นธรรมชาติมีคนดินชาก็เป็นธรรมชาตินะไม่มีไม่มีอะไรผิดธรรมชาติเลยเนะอมันเหมือนธรรมชาติเหมือนฤดูกาลมีฝนตกบ้างหนาวบ้างแดดบ้างธรรมชาติมากนะ เราจะไปเอาอะไรกับธรรมชาติจะไปทุกร้อนทำไมกับธรรมชาติในเมื่อกายนี้ใจนี้เราก็เป็นธรรมชาตินะเป็นธาตุสี่ันห้า 5, ด้วยกันทั้งนั้นนะเราก็เป็นธรรมชาติทุกสื่อสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมชาตนะิจะไปทุ ก, กับมันทำไมเนาะธรรมดาที่สุดนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะแล้วก็รู้ใหม่ไปเรื่อยนะแต่อย่าไปประคองตัวรู้รู้เล่นๆรู้สบายๆนะ ทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะจะได้จะมีจะเป็นอะไรไม่สำคัญเท่ากับเรารู้สึกตัวแค่นี้พอละชีวิตนี้นะถ้าเราหวังใจว่าไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วนะเอาแค่ความรู้สึกตัวตอนนี้แหละเป็นที่พึ่งนะเอาแค่ความรู้สึกตัวเนี่ยแหละเป็นคาตอบของทุกอย่างชีวิตมันจะว่างมันจะว่างมันจะเบาสบายนะนะลองดูถ้าใคร ถ้าใครไม่เชื่อเนาะลองพิสูจน์ดูนะอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่กับผมหรืออาตมาพูดแต่ลองไปพิสูจน์ดูว่าถ้าแค่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะวางความทุกข์ได้ไหมไม่ต้องไปคิดต่อแค่รู้ตก ต, ตัวเฉยๆเนี่ยจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้อะไรก็ได้ที่เป็นรูป ร, รู้นามนี่นแหละความทุกข์มันไม่มีที่ตั้งนะมันไม่มีที่อยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ไปยึดไม่ไปถือ อาการต่างๆว่าเป็นตัวเป็นวนของเราแล้วมันไม่มีมันมีแต่อาการทนนี่เป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมันมีแต่รูปที่ทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์นะมันมีแต่นามที่เป็นทุกข์แต่ไม่มีเราไปยึดนามนั้นว่าเป็นทุกข์นะดังนั้นมันมีแต่อาการที่เป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้สอนเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์นะเรามาเรียนตามพ่อมาก่อตามครู นะทำให้ถูกนะถ้าทำถูกไม่ยากนะรู้สึกตัวซื่ อ, อนะรู้สึกตัวเฉยเฉยรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละเป็นทางสู่มรรคผลนิพพานเนาะนะก็ฝากกันเล็ก็กน้อยน้อยนะในเย็นวันนี้นะกาบพรพร้อมกัน